แนะนําบทลุกมานบทลุกมานเป็นบทมักกิยาะมีสามองค์การบทนี้รำลึกการกล่าวถึงคัมภีร์ซึ่งถือเป็นปาฏิหารของมุฮัมมัดซึ่งในคัมภีร์ได้นําหลักฐานมายืนยันให้ประเจ้าถึงความเป็นเอกะของพระเจ้าแห่งสากลโลกกล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ความสวยงามอันน่าประหลาดใจในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีระบบอันรัดกุมในการสร้างชั้นฟ้าพันดิน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 นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนพวกบูชาจเวดให้ตระหนักถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพที่ปรากฏออกมาในจักรวาลอันกว้างใหญ่และสวยงามบทนี้จบลงด้วยการเตือนให้รำนึกถึงวันอันน่าหวาดกลัวที่ทรัพย์สินและบุตรหลานจะไม่อำานวยประโยชน์อันใดเลยบทนี้ถูกเรียกชื่อว่าบทลุกมานเพราะได้กล่าวถึงเรื่องของลุกมานอัลฮกิม หรือลุกมานักปรญจีที่ประมวลไว้ด้วยคุณค่าแห่งปรเจญาเคล็ดลับของการรู้จักอัลลอฮ์และคุณลักษณะของปร่งประนามการตั้งภาคีใช้มีมันยาที่ดีงามและห้ามปรามให้ละเว้นการกระทาที่น่ารังเกียจไม่เป็นที่ยอมรับอีกทั้งยังประมวลไว้ด้วยการสั่งเสียที่มีคุณค่าซึ่ง AH อัลลอฮ์ทรงสอนให้พวกเขาพูดออกมาและนั่นคือปรเจี และความเฉลียวฉลาดที่ลุกมารได้รับจากพระผู้อภิบาลของเขาโด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัอลิฟลามมีมอัลิฟลามมีมที่เหาอัลกุรอา เหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคำพีอันชัดแจ้ ง, งเพื่อเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่ผู้ที่กระทำดีทั้งหลา ย, า ย, ลายคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่ากาศ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 และเมื่อองค์การทั้งหลายของเราถูกอ่านให้แก่เขาเขาก็ผิบหลังให้อย่างยะโสประหนึ่งว่าเขาไม่ได้ยินองค์การนั้น ปนันหนึ่งว่าในหูของเขานั้นหนวกดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดเถิดอินนั่ลที่นั้นอเมนูและทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะรับสวนสวรรค์อันสุขสมราแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะรับสวนสวรรค์อันสุขสมรา พาะเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลสัญญาของอัลลอน์นั้นเป็นจริงเสมอและพระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชายาัย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 และเราได้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าและเราได้พืชทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่คู่อย่างสวยง า, นายน ม, า ม, น, น, มนี่คือการสร้างของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงแสดงให้ข้าเห็นสิว่า อันใดเล่าที่เขาเหล่านั้นได้สร้างมันขึ้นมาอื่นจากพระรคแต่ว่าผู้อาธรรมตังหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจง้ง